ก็อยากบอกอากสอนผู้ฟังจะอากฟังหรือไม่ก็ไม่ก็ไม่ต้องกลัวอ๋ไม่ได้บอกถ้าไม่ได้บอกได้สอนในสิ่งที่เหมือนถูกเหมือนพิษหรือว่ามันบกกรองในการมีชีวิตเราจิ้นข้าวชาวบ้านเรานุ่งห่มชีวอนชาวบ้าน เราอยู่เฉยหนาสนักติสาลาชาวบ้านสร้างให้เจ็บให้ได้ป่วยไปหาหมอหมอดูแลอย่างดีไม่ต้องเสียค่ารักษาเลยไปอยู่โรงพยาบาลจุลาสองปียาชีโมีรอดดังแสนสองอยากระตุ้นเมิดเลือดขาวห้าพันบาทแต่ละ ครั้งที่หมอใช้เงินสิ้นทองเป็น ล, ะ ล, ะละ้านๆแต่ว่าได้เสียเงินจากบาทประเทศไทยเงินที่ไปซื้อหยุกซื้ อ, อยาสร้างโรงพระบาลสร้างเครื่องมือเป็นเงินภาษีอากรจากประชาชนชาวมังชาวไทยทุกคนเปดนนี้คนไทย อ๋อมีชีวิตยอยู่ไม่ตายขึ้นมาได้ขอให้บอกความจริงที่มันไม่อยู่ในคนนี้เฮยคิดเวลาก็จะตายหายใจไม่ได้นอนอยู่ได้ห้อง i อซยูเห็นคนไปกอกกรบจกุกยืนดูเราเราก็นอนอยู่ เรายังคิดถึงคนที่ร้องไห้น้ําตาไหลยืนอยู่จกข้างนอกเรายังคิดเป็นห่วงเขาว่ามาลองให้กับเราทําไมเราไม่มีทุกข์ไหมเดือดร้อนอะไรเราไม่ได้ตายความตายเราไม่ได้เก็บควงเจ็บยังคิดถึงคน อ, อื่นอยู่ถ้าคนไม่เคยฝึกหัดจิตใจนี่จะเป็นอย่างไรเนอะ เกปวดจังแรงหายใจไม่ได้เขาจะทำอย่างไรผงจะเป็นทุกข์หรือเราได้ทาได้บอกเรื่องนี้คนหรือดเบาก็เลยคิดว่าเออเราก็ได้สอนอยู่เราได้บอกได้สอนอยู่ไม่ใช่ไม่ได้สอนมาคิดเห็นความออหน้าที่การงานของเราก็ากพอวางใจ เราได้ทำบาปทำกไรรไมลอยไม่เคยทำบาปทำกรรมลายก็สบายเป็นสิ่งที่ช่วยเราการกระทาก็ดีการใช้ชีวิตที่ทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นก็นดีเราก็ไม่ได้การตัวพึง่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้สบายสบายอะไรก็ทำได้หมดแล้วที่ิดจะกระทำ เราก็ทำได้แค่นี้ชีวิตเราก็มีมือห้านิ้วจิบนิ้วเช่นนี้แลก็เลยเป็นอาณิสงส์ตอนนี้ขอให้ได้บอกบอกสิ่งที่ทําได้ไมาได้สิ่งที่ทำไม่ได้ไมาได้บอกให้ท่านหอบเหือนเดินอากาศไปไหนเดินอยู่บนดินนี้ ไม่ได้หมูดตินไปที่ไห น, นอยู่ที่นี่อย่าไปคิดฮะสิ่งที่ทำไม่ได้พอ้เจ้าสอนในสิ่งที่ทำได้แม่คนจะหงมาบุดมานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลงแม่คนจะมูดขึ้นมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หลงคนที่หมาเขา หลงตัวไหมเขาโกรธแบเขาทุกไปแบบเังทุกขจังโกรธจังโลภจังหลงจั ง, งวิถุ ก, กังวลเศาหมองก็ไม่มีประโยชน์ไม่หัวมา ก, ก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็แล้วก็ขี้ขาดแบบนี้แต่ถ้าใครยังเบียดเบียนตนเองอยู่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ก็ยังไม่มีประโยชน์เลยเกิดมา ถ้าใครยังทำให้เตือนเวรทุกอยู่ทำไมก็เดือดเ็นทุกอยู่เรถือว่ายังยังไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอยากจะบอกได้ประโยชน์เวลามันหลงเสียดายเสียดายเสียดายความหลงที่มันเอาชีวิตเราไปพีพไปทดลองความหลงใช้ชีวิตทห้มันหลงเสียดายน่าจะ เอาความที่มันหลงมาสอนบทเรียนตรงนั้นประสบการณ์ตรงนั้นเอามาลู้สชิตัวซะถ้าไม่ลู่เชกตัวอืนอ่นก็ให้ใส่ใจตรงนั้นเวลาไดมันโกรธเสียดายเห็นคนโกรธเห็นคนทะเลาะกันมันก็เอาความโกรธชีวิตเราไปใช่ผิดแล้วไปโกรธแล้ว น่าจะเอาประโยชน์จากความโกรธเออเพียนให้ไม่โกรธจะลงดูแล้วก็มีสิทธิเนี่ยไม่มีใครบังบังคับเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเพิ่มเกิดเกินที่ใจเราก็เอาใจนั่นแหละเพี่ยนไม่โกรธเนี่เยเชิดายตรงนี้ไปดูคนป่วยเมื่อสองวันนี้ก็ตายแล้วได้เผาเมื่อวานนี้ได้ไปสอน หายใจไม่ได้ก็ทรมานทรมานเหนื่อยเนื่อยอ ย, อย่าเอาความเหนื่อยมาเป็นเรื่องต่อรองกับชีวิตเราวางวางหายใจไม่ได้ก็วางวางอย่ทุกข์อย่าเดือดล้อนวางจ้วา ง, วางคิดถึงคุณงามความดีลูกชายของ โยมก็เป็นคนดียืนอยู่นี้ลูกสาวก็เป็นคนดียืนอยู่นี้ลูกชายของโยมได้รับโล่ดีเด่นจากตํำรวจแห่งชาติเยาวชนดีเด่นยืนอยู่นี้มีลูกใครได้รับโล่ดีเด่นของประเทศชาติเลาทําประโยชน์ต่อม้านเมืองอยู่นี้ให้คิดถึงความดีมี มีบุตรที่ดีมีลูกสาวที่ดีมีเถรนาที่ดีไม่อดไม่อยากอย่าไปเอาความทุกข์มาลงโทษสบายบายวางวางได้บอกกนันานี้ไดยหัดตรงนั้นแต่เมื่อมีชีวิตอยู่ไม่เคยหัดเลยก็ยังทำไม่เป็นยังล่องอยู่ เพราะฉะนั้นนถ้ามาถึงตอนนั้นจริงๆถ้าไม่ฝึกหัดไว้ก็หลงทิศหลงทางได้เหมือนกันแน่นอนต้องเกิดต้องเก็บต้องตายเกิดแต่ความหลงความโกรธความทุกข์ความเกิดจากความคิดเกิดาาจากตาจากหูแค่นี้ก็มาเป็นความพอใจไม่พอใจให้ความพอใจไม่พอใจ เอาใจไปใช่แบบพอใจเอาใจไปใช่แบบไม่พอใจมันผิดให้ได้ปัญญาถ้าผิดตรงนี้ก็ผิดแต่เพื่อเพื่อไปผิดไปแต่เพื่อเพื่อถ้าถูกตรงนี้ก็ถูกแต่เพื่อเพื่อไหลักปฏิบัติโอเจ้าก็สอนอยู่แล้วตรงอยู่แล้วมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผาจิตฤท มีสติมันก็เผาไปก็หลงไปห้อยหลงถอนของมพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้กลับมารู้สึกตัวถอนออกมารู้สึกตัวความพอใจและความไม่พอใจมันเป็นรสชาติของโลกให้มีความรู้สึกตัวเป็นรสชาติของธรรมธรรมจึงู่รักษาธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม ทำยอมรักษาผู้ประพฤติทำอยู่เป็นนิดไม่ไปละพันมี่จะลดพระธรมสัพร ะ, ะสังตบาลลดโซคิณาติลดพระธรมย่อมจนลดท่องปวงไม่ใช่ลดอย่างอื่นที่แท้ก็มีลดเดียวถ้าเราไม่ฝึกก็มีหกปากเป็นเสือหกปาก ยึดเราเนี่ยต้องเลี้ยงต้องหกปากกินอาหารต้งหกปากตามันก็จินหูมันก็จินจมูกดิ้นกาใจมันก็จินเอาให้มันจินได้เงินมาแทนชื่อไปแทนที่ไปซื้อข้าวชื่อกล้วยน่องว่าซื้ออาหารจินก็ไปซื่อเหล้าซื้อบุหรี่มาสูบเสือบัญจินร่างกายไม่ได้ประโยชน์ม่จะเป็นทุกข์เป็นโทษ เอาเงินทุอยาสุทบุดีิจูปเอาเงินไปเผาไฟที่ยางดีกว่าเพราะมันเสียแต่เงินมันไม่เสียสุขภาพบางทีคนก็คิดได้สุบุดีเมือสองก็เป็นทุกข์เป็นโทษเหมือนกันดฉะนั้นแค่นี้เราสร้างขึ้นเองเราหัดีเราหัดตัวให้ไปติดอะไรในเะสือหกปากคื่แด้มีรถเดียวเห็นรถพระธรรม ถ้าก็เกิดขึ้นก็รู้จักตัวอะไรก็รู้จักตัวสัตธวรเห็นสัตธวรได้กินสัตธวราได้โรสสัตธวรสัมผัสสักตวรคิดได้ประโยชน์อันนี้แต่ถ้าทำให้หัดลรวก็ทาให้เป็น <c oughs> ทำให้มันเป็นไม่ใช่เรียนรู้การรู้แล้วก็มีผู้สอนให้รู้ทั้งบ้านทั้งเมือง เราก็เป็นปัญญาชนได้มีความรู้ของตาเห็นพวกท่านงหมอพกพยาบาลหนึ่งเหมือนเทพทิดาเทพประบุตรของเราถ้าไม่มีคนพวกนี้เราไม่ไมีชีวิตรอดได้แล้วเพราะฉะนั้นก็สอนสอนลูกมีมีผู้สอนให้ มีมหาวิเลที่สอนมีสถามันที่สอนเราสอนให้เป็นเนี่ยเราต้องสอนตัวเองไม่มีมหาวิเลยไหนสอนไหนสอนได้เราต้องสอนตัวเราเองเวลามันหลงรู้สึกตัวเป็นไหมเวลามันทุกข์รู้สึกตัวเป็นไหมเวลามันโกรธรู้สึกตัวเป็นไหมตอนนี้เราต้องสอนตัวเองปฏิบัติเอง ทำเองหลงเองก็เปลี่ยนไปไม่หลงเองทุกเองก็เปลี่ยนไม่ทุกเองทําให้มันเป็น่ยนถ้าทให้หัดว่าทําให้เป็นอย่างกนก็นง่ายที่จะหลงง่ายที่จะทุกข์บาทีก่อนคิดก็ยังหยุดไม่เป็นแต่ก่อนเหมือนพระเจ้าอุาทานออกมาปฐมภ า, าุดที่เราฉวดขึ้นมาชี้นี่ว่า ใจก่อนนี้ไม่มีสติไม่มียานรู้ยองรู้เดิเล่นท่องเที่ยวไปงสงสารเป็ น, นกับช็อตเล่นไปในความลักในความช่งในความสุขในความทุกข์ในความอิจฉาเบียดเบียนในความไม่ถูกขังบนเศ้าหมองขคืนเป็นความกังบันเป็นเตลกังขึ้นว่าฝันกลางวันว่าคิด ใเลนไปในสงสารเป็นในเอกชาตินอกไม่ถ้วนเกิดดอกเกิดดอกเกิดดอกแบบนี้เราลู่จากเจ้าเสียแล้วกรงเลือนทั้งหมดเราหักเสือแล้วยอดเดือนเราลือเสือแล้วไอ้เจ้าสังขารเจ้าจะทําอะไรให้เราไม่ได้อีกต่อไปกิจของเราถึงแลถึงแล้วซึ่อสภาพที่ไรปรุงแต่งไม่ได้ โอดธานออกมาได้เห็นได้ตื่นขึ้นมาก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติยหยุดน้องลงเป็นชีวิตล้วนๆเป็นชีวิตปกติส่วน บ, บ้านของชีวิตคือปกติบ้านของจิตคือปกติไม่ผูกไม่แปร มันเป็นอย่างนี้เกิดดอกออกผลความเฉิดเหมือนเราทำนาเฉิดปลูข้าวเฉิดข้าวก็งามขึ้นในตัวมันเองปลูต้นไม้เฉิดต้นไม้ก็งามขึ้นเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีการทำความดีสาเร็จแล้วความชั่วสาเร็จ ควมดีก็งอกงามขึ้นเป็นมากเป็นผลเกี่ยวข้าวเส์อข้าวก็เป็นขึ้นยูขึ้นฉองหรือข้าวจินเป็นชอบไม่อดไมหยอกเป็นชอบในืออรชอบนี่เปินชอบเปประเสริด <c oughs> <c oughs> ต, ต้อยให้ตามล้วอยู่ทุกโอกาส ให้เหมือนชอบภายนอกชอ า, านอกก็มีอาศัยให้เป็นต่อชอบภายในได้สะดวกมากขึ้นอาศัยจึงการละการเราจึงต้องไม่ควรประมาทตื่นตัวเด็กสืบนมเอาไว้จะร อ, อให้เท่าให้เจริญประมาทในเวลาที่มีควมสุขภาพที่ดีดเอามาทำประโยชน์ ถ้าเจอเท่าเจา็บแค่ได้่วยมันทำไม่ได้แต่มีคนทำได้บ้างเคอได้เห็นเมื่อไม่นานมานี้ไม่เลงตายเขาเคยปฏิบัติบ้างตอนจะตายเขาแสดงทำให้เมียฟังเมียเป็นคนถ่ายภาพไว้ ไม่ต้องห่วงพี่พี่พี่มีความสุขความสบายแล้วมีความสบายแล้ววางหลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องห่วงอย่าโล่งให้นวลแสดงทาให้เมียฟังเนี่ยก็อบนนุอบแสดงอกหัวอยู่หลวก็ยังมีหน้าตาอันสดใสยังมองเนี่ย ดูแล้วลูกให้ดีเรื่องพ่อเรื่องแม่พี่มีพ่อมีแม่แม่ผอแม่กับพ่อก็มีลูกคนเดียวคือพี่นี่เองนอกจากนั้นไม่มีอีกแล้วบอกฝากพ่อกับแม่ของพี่ไว้กับเมียบ้างกับเธอบ้างกับอ้วนบ้างเมียเขาเรียกว่าอ้วนกับอ้วนบ้างให้ดูแลแทนพี่บ้าง ม่ต้องมองพี่ให้สบายๆเราก็หมดลงหาเจ็ยอย่างสง่างามแต่บางคนทุลักทุเล <c oughs> หายเจ็ไม่ได้ก็ทรมานทรมานราน้องโอดขวนของเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ แม่เราก็เป็นทุกข์ปัสสาวะกับของรอกของชอบไปก็เป็นทุกข์ชีวิต เ, เราไม่ใช่มาเกิดมาเป็นทุกข์ความทุกข์มันไมได้ขี่ช่างขี่มื่ม า, กมาเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเองจึงบอกเพิกมหาดทีเรามันหลงลู่จากตัวขึ้นมาเตรียมพรม้อมให้มัาจนานาญ มันไม่ไปเท่าไหร่หรอกมันหมดเป็นถ้าเปลี่ยนลอยเป็นดีเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นรูปต่อไปความรู้จึกครองควารู้จึกตัวเน่ยเรียกว่าปัมมาทัศธรรมเป็นธรรมที่ยหญ่พระเจ้าเพียบเทียบเหมือนหลอยเท่าของช้างมันไปเขียนโอวาทรือสวด สัตยาเมื่อกี้นี้ตถาจานิพกเวอามันตยามิโบเด่มก่อนทั้งหลายจะได้ประมาทวยะธรรมาสังคลาประมาเทนาสัมปะเทธะสังขาทั้งหลายมีความเสื่อมไปจะได้ประมาทพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศ น, นาสูตรนี้ก็ บาฏิเนปานไปเลยสังลาจำเป็นต้องบอกจากนี้อรอยเท่าของช้างปตฏิมันอรอยเท่าของช้างไก่กว่ารอยเท่าสัตว์อื่นรอยเท่าสัตว์อื่นเหมือนกับทมทั้งหลายทั้งหลายเลยวันหทันหารอยแปดที่เป็นอกุศล ถ้ามารวมลงที่ลอยเท่าช่างก็เป็นลอยเท่าช่างไปเลยเป็นความหลงรู้สึกตัวอา้าวความหลงเป็นวล่ยเท่าช่างไปแล้วความทุกข์รู้สึกตัวความทุกข์เป็นหลอยเท่าช่างไปแล้วรวมลงขอลอยเท่าสัตว์อื่นทั้งหมดมาล่เกันดีทั้งหมดมองเห็นเป็นลอยเท่าของช่างอย่างเดียวนี่คือธรรมดูกับเราทุกชีวิต ต้องมาลงที่นี่มาลงที่นี่มาลงที่นี่ลอยเท่าของช้างคือสติอประมาทถ้าทำคือสติคือรู้จึกเลืกได้อะไรมาก็มารู้จึกเลืกได้รู้จึกตัวได้ลายเป็นลอยเท่าช้างลายเป็นธรรมอันใหญ่คืินธรรมทั้งหลายเป็นความดีไปเลยได้ความดีจาก ความไม่ดีแต่ความไม่ทุกข์จะความทุกข์ถ้าเรารู้จักศึกษารู้จักปฏิบัติรู้จักเปลี่ยนอาจจะไวๆไม่นานเอาใส่ใจดีๆถ้าไม่ใส่ใจก็อาจนานหน่อยอาจจะดานไปเหมือนที่ว่าไปแล้ว วิธีปฏิบัติก็ชัดเจนเหลือเกินทำได้จริงๆรงทางกายลูกดามเนะ่ยมีรูปจริงจริงมหาพุตธรูปเอามาอาศัยให้ทำความดีจะใช่รูปนี้ทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วแต่งมาทางกาก็ขอให้เป็นความดีมีสติรูปนี้มารับใช้ให้เราทำความดี นามคือความรู้สึกอะไได้เอามาใช้เกิดความดีมันมีรูปมีนามาารู้ท้อเท่าไปใช้บันมันก็เป็นรูปทุกนามทุกได้เป็นรูปทมนามทมที่ไปทำชั่วได้ถ้าเราไม่หัดมันีวิตเรามาถึงบันนี้ เคยถามทุกคนความหลงกับความรู้อะไรมากกว่ากันมักจะตอบว่าความหลงมากกว่าเพราะไม่หัดหน้ามัก่อนตลายจึงมาใช้รูปทำนามทำให้มันทำดีนามีรูปมีนามมีกายมีใจมันทำดีทำชั่วได้ มันมีอะไรที่อยู่ในรูปในนามมากมายเช่นความโกรธความโลภความหลงความรักความจังวิถุความหมน่นเกิดจะเจ็บตายเราเห้ให้ละรู้ซรู้แล้วรู้แล้วเอาไว้แล้วอะไรก็เห็นแล้ว <c oughs> ให้เห็นหมดไม่มีอะไรที่ไม่เห็น สิงที่เกิดขึ้นกับป่ากับใจต้องมีจิแล้วนไะด้เห็นหวดเห็นหวดเลยว่าอัญญาสิเป็นอัญญากคนทัญญาอัญญาสิวตโภคนทันโจอัญญาลู่แล้วอัญญาลู่แล้วผู้ลู่ก่อนโม่ลู่แล้วอะไรก็ลู่แล้วไม่ข้างผ่านไปแล้ว สิบปีห้าสิบปีผ่านมาแล้วอันเก่าไม่มีค่าอะไรเละเห็นทีไยก็อันเก่ารูแล้วรูแล้วมันก็นแล้วไปไม่มีเหลือรูปทุกนามทุกรูปสมมุตินามสมมุติมันหยัดวัตถุอาการที่มันมีอยู่ในรูปในานามนี่ <c oughs> มีวัตถุอาการมีความร้อนความหนาวมีความหิวีวความปวดความเมื่อยอาการของรูปมันต้องมีนั่งนานก็ปวดเป็นอาการของรูปหยิบกัดก็เจ็บเป็นอาการของรูปไม่ใช่เราเป็นทุกข์เรีอยกแยกออกอา ก, การให้เป็น อะไรกุลบความฉลาดตะยุงกัดไม่เจ็บมันไม่ใช่ลูกแสงเดดไม่ร้อนมันไม่ใช่ลูกละองฝนไม่รู้จากหนาวมันก็ไม่ใช่ลูกคนตายไปแล้วที่มันเป็นาการเกิดขึ้ น, นเป็นาการที่เกิดขึ้นกับลูกย้อนมาเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเรื่องความหิวเวลาอาหารหมดในกระเพาะมันก็แสดงความหิวเวลาการของลูก มาชาวมาเป็นทุกข์มาจะขอบคนความหิวขอบคุณความเก็บความปวดมันเป็นสัญญาณภัยที่เราจะได้ช่วยมันงั้นบอกให้ช่วยเหนื่อยนะมากก็มันบอกให้ใหช่วยให้ดูจากพระกรบางทีธรรมชาติก็ช่วยเราอยู่เช่นโกรธ เขากจะจอดอยู่หลายชั่วโมงติดกันมันก็ไม่ไหวหมดแรงแล้วก็เหนื่อยพอมนเหนื่อยก็จะพูดจะด่าอีกไม่ได้แล้วหมดแรงเมอหมดแรงก็เลพักสักหน่อยไม่แสดงออกวามโกก็อ่อนลงอ่อนลงก็หมดไปธรรมชาติจำช่วยอยู่แต่เรามาช่วยธรรมชาติ ต้องรสชาติมีแต่เดิมมันไม่ได้โกรธไม่ได้ฉุกไม่ได้ทุกข์จิตของเรานี่ปรับคัดสอนผ่องใสอยู่เสมอจิเลสที่มันทำหมเศร้าหมองมันมาทีหลังเดีย๋ยวไปหลงเดี๋ยวว่าถูอาการที่มันมีตามันมีจึงเห็นรูปมันมีจึงได้ยินเสียงเอาลูปมา ใช้ประโยชน์ที่มันมีตาอย่าออมาเป็นทุกข์เป็นโทษพอใจไม่พอใจใช่ให้เป็นวัตถุอาการเมื่อมีวัตถุเกิดขึ้นก็มีสมมูลถ้าไม่มีสติก็มีสมมูิหัญญัติสมมูลนี่มากมายทำให้เราเป็นพวกปัญชาติได้ในสมมูิหล่นจอดเห็นตัวเป็นตน เม่อพีสมมติก็เป็นปรานยึดมั่นถือมั่นํามการมั่นหมายเอาความโกรธเป็นตัวเป็นต้นเอาความลักเป็นตัวเป็นต้นเอาความเกลียดชังเป็นตัวเป็นต้นตทำตามความโกรธทำตามความลักเล่นของข้าวน้อยข้าแม่ทำตามความโกรธหิวข้าวแต่ที่จะขอบคุณความหิวคนหิวข้าใจมาโะมันปอกมันบางก็โกรธง่าย ไม่มีสติไม่มีความยับยั้งชังกิดเอาความโกรธให้ข่าแม่ตายก็าหายโกรธสึ่งข้าวสิ่งข้าวไม่หมดพ็าหายโกรธก็คิดถึงแม่แม่ก็ตายไปแล้วโกรกันมาได้สายไปลเลยแล้วควมลักเวลาลักก็มืดโอดตามๆความลักเจ้นางโมลา สามีคือจันตะโคลบเป็นคนดีแต่ว่าโจรมาพ้ขนขณะที่เดินทางกลับบ้านจันตะโคลบก็ปาบโจนได้เป็นวนมากแต่หัวหน้าโจรยังอยู่แต่โมรลาเห็นโจรสูงขาวสวยกว่าจันตะโคลบเป็นจันตะโคลบ ไม่สวยเหมือนโจรชิดชอบโจรทันทีพื่นดอกให้โจรโน่นโจรก็ฆ่าจันทโรกตายพอจันทโรบตายเสนอตัวเองเป็นเมียโจรโจรมันก็ด่าไอชาติชั่วหญิงแค่ชั่วไอผัวมึงยังค่าตายาเสียใจ จนเจ้ก็ลบก็ตายไปเสีแล้วเอาขึ้นไม่ได้เสีแล้วนี่คือทำตามความรักมีบ้างไหมทำตามความจำมีบ้างไหมเมียที่เคยรักก็โกรธกันด่ากันเวลาหายโกรธอายกันเวลาโกรธด่ากันก็ได้อะไรก็ด่ากันฆ่ากันได้แสดงออกได้ไม่รู้จักอายเวลาหายโกรธละอายเชียเปียบความโกรธเหยียเปียกความทุกข์เหียเปียกความเปลียดชัง ขอให้ทำหน่อยทำไม่ดีต่อมีต่อเพื่อนต่อประเทศชาติต่อผู้ต่อคน้าเสียดายอย่าเสียเปรียบความโกรธอย่าเสียเปรียบความทุกข์มันไม่มีประโยชน์ไมไ่เป็นทุกม่เป็นโทษสิทธิเราไม่ต้องโกรธก็ได้ไม่ต้องทุกข์ก็ได้ไม่ใช่สิทธิของตัวเองตรงกันข้าวคนเล่าฝังกระโดดชั่งหน้อย เข้มแข็งตอนที่บรรดดแดดหัดตอไว้เหมือนเราตื่นงูให้มันเห็นถ้าเห็นอย่างนี้ถ้าไม่เห็นอย่างนี้จริงๆนะอันโกนโกดก็พรมไปโกดเหมือนก็เห็นงูเหมืองูพิษให้เห็นงูพิษก็มักจะไม่ก็ต้องไม่ให้งูกัดเราถ้าเห็นมันก็โกมโกดก็ทําให้เรามัได้โกนทุกข์ทํามันเรามัได้เพราะเราเห็น หัดเห็นหัดดูต่อไหนก็หล่นสติจริงๆมันเป็นที่ดูเนาะไม่ใช่ไม่ใช่มหัดมันรู้ซื่อบือนะ่อมันเป็นการดูนะเมื่อหัดไปบ้ากๆเป็นภาวะที่ดูดูแบบรูแบบรูแบบนี้นัตตาเคยบอกให้รูแบบนี้รูแบบนี้อย่ารูแบบอยู่ให้รูแบบดูรูปแบบดูมันรู้นารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว ชิปี่ลู่ลู่หนึ่งลู่สอลู่สลููู่่แล้วลูแล้วลูแบบดูดูแล้วอะไรเห็นขึ้นมากิดลู่ดูเห็นเห็นจึงเกิดขึ้นว่าเห็นทุกเห็นความเห็นเหตุทีเ่เกิดทุกเห็นความแบบทุกเห็นวิธีทางที่ทําให้ถึงความดับทุกเป็นทางไปเป็นการส่ร้าไปผู้ปฏิบัติธรรมผู้เจริญสติย่อมพบ เห็นกระแสแห่งพระเนปานได้แน่นอนเหว่เห็นเหมือนหลงและเห็นความรู้กระแสเหล่านั้นวันทุกเห็นความรู้นะกระแสพระเนปานไปฐานนั้นบันมีแม่บันสว่างนิดหน่อยก็ไปเถอะก่อนแหวกไปก่อนต่อไปจะสว่างมากเหมือนแสงไฟ <c oughs> ไปดีสีเนะืประเทศที่พัฒนาแล้ว ถ้าไป A อซมันเสียนี่ไปดีซใช่ไหมฮะที่บ้านแสงดิบดีน้อยๆางออกมันจะบอกถ้าไปเถอะน้อยๆนันะ่นละตามไปเถอะจะพบทางออกที่ปลอดภยัยจะให้มืดเขินไปชีวิตเราไม่ไม่มืดเสมอไปหรอกยิ่งพวกเราได้เคยมีสติเนี่ย พรมันหลงรู้จึกตัวกระเสบอกก็จะไปเท่จะไปจะไปมันทุกข์ขึ้นมารู้จึกตัวเป็นทางกระเสไปไปพระนิพพานไปแบบนี้ถึงนิพพานแบบชางนิพพานให้มีตัวเราทำพระนิพพานให้แจ้งมันแจ้งไปอย่างนี้เรเห็นมันทุกข์เห็นค่าไม่ทุกข์เห็นมันโกรธถึงความไม่โกรธอย่างพระสิธัตถะมองชีวิตเป็นเป็นโจดจ้องตากเห็นกวง เกิดเห็นกวไม่เกิดเห็นความจะเห็นความไม่เจเห็นความเจ็บเป็นความไม่เจ็บเห็นความตายเห็นความไม่ตายต้องมีคู่แน่นอนเนี่ยปัญหาที่โจทย์ธรรมจิตตถาได้ศึกษาแล้วอนี่ไม่จนเรื่อนี้จนหาพวกปอหาพวกก็เห็นหลักอริสัทธเนี่ยเห็นทุกเนี่ยโอ้โธ พอเห็นทุกข์ก็ดอไปเห็นเหตุที่เกิดทุกเป็นายจะทำกับเหตุอย่างไรทำได้ไหมก็ทำได้ก็ได้ในโลดวิธีทำทำาไรก็รู้จากทางมีแต่ชุกเฉีงก็มีแต่เหตุดับเป็นแตงมุทยเป็นเหตุทุกเป็นผล มักเป็นเหตุโลดเป็นผลสิ่งนี้มีจิงนี้จึง ม, มีผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่ต่อกันอยู่เฉยๆเราไม่ได้โกรธมันต้องมีเหตุเหตุอะไรมาเกิดตรงไหนส่วนมากมันจะเกิดจากความหลงเพราะหลงจึงทุกข์เพราะหลงจึงโกรธทาไมจึ ง, ลงหลงล่ะเพราะไม่รู้ทําไมไม่รู้เพราะไม่ประกอบทําไมไม่ประกอบเพราะ ไม่มีศรัทธาปิดบังรับอันอื่ น, ทนแทนใชไหมไม่มีศรัทธาตรงนี้เพราะไม่เคยใช่บางทีก็รับใช้ความทุกข์ความโกรธความโลภความห ล, ลงเป็นส่วนใหญ่การรับใช้ความรู้สึกตัวไม่ค่อยจะมีมันเลยปิดซะไม่เห็นกระแสะภายในภาพอมาไมีความรู้สึกตัวมันกิดได้กระแสะขึ้นมาก็จะไม่จน ถึงแม้ว่าไม่บรรลุธรรมเวลานี่ข่าวนี้แต่ว่าถ้าได้ฝึกไปบางแล้วเกิดอาจจะเกิดตกกระไดพอกระโจนได้เวลานี้ยังไม่ตกบันไดยังไม่เป็นกีฬาอะไรพราจะพอตกบันไดก็กโดดออกไปเลยไม่เก็บเข้ามันหดพอจะมีนิสัยบางฝึกเอาไว ทำไมฝึกอยู่ลยก็มืดแดดานมืดในความทุกข์มืดในความเจ็บมืดในความตายตพวกความตายเจ็บพวกความเจ็บทุกข์พวกคมทุกข์มัก็มืดตรงนั้นนะสมาิสางตันั้นเรเจ็บไม่ได้เจ็บพวความเจ็บไม่ได้ทุกข์พวกมทุกข์ไม่ได้ตายวมตายสว่างตรงนั้นเเป็นอย่างนั้นจริงๆความจริงเป็นอย่างนั้น จริงจริงเป็นอย่างนั้นอคว่าทุกข์พรความทุกข์ไม่มีแน่นอนโอ้ไม่ทุกข์ขึ้นมาถ้าจะได้เห็นมันจะได้ไม่ทุกข์อ๋อไม่เจอความทุกข์นะม๋จะเกิดอะไรขึ้นมาก็ต่อจะได้แค่มันทุกข์ลอมีแต่ทุกข์เพราะนั่ตนต้องอยู่มีแต่ทุกข์ต้องดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรอีก จึงได้ ว, ว่าพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดอยู่กับทุกคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าเน้่ยถ้าพึงนาดถ้าเขาไม่เป็นวันนี้เขาคงเป็นวันพรุนี้จึงกูดกันไม่ได้น้องคนเหมือนพระพุทธเจ้าฟังเสียงทุกเสียงเหมือนแจงผ้าสดบนทุกคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่น เหมือนลู่ชีกันนนไม่จนแต้ชีวิตของเราเนี่ยเพื่อนี่จริงๆมนุษย์ที่มันเพื่อกันนี่ไม่มารักใช้อะไรที่มันต่ำต้อยเนาะมองกันในแย่ดีๆไปกาสมควรใช้เวลาเนาะ